ท่านเห็นเวทนาโดยความเป็นสัตว์หรือสัตว์อยู่ในเวทนาหรือเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าเอ๊ะสรุปแล้วสัตว์ตายแล้วเที่ยงหรือศูนย์คําถามที่เขาเขาบอกว่าเป็นพันศาสนานี้จะไม่พยากรณ์เพราะคุณลัที่มาตั้งกเรกแล้วว่า ง, งั้นใช่ทั้งทไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเลวสารพัดยังอุตสาหอยากได้มาใเราโอ้ไม่ได้ก็ได้แปลงนะครับแล้วท่านทำ คำปริญญานี่นะครับว่ามันมาจากปัจจัยสารพัดเลยนะเรายังอุตส่าห์ตามไปว่าเื้อนี่กรรมของเรานะแปลงไหมครับยังยังห่วงอีกนะเราเรามันแปลงจรงจริงนะเรายังตามไปว่าโอ้ก็กรรมของเราอะ่ะเพราะฉะนั้นตามหลักคําสอนเนี่ยนะเวลาพูดนะเพราะฉะนั้นแลเพราะเหตุนั้นแลเพราะเหตุที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานั่นแลท่านจึงเห็นเวทนาทั้งที่เป็นอดีตเวทนาที่เป็น อนาคตเวทนาที่เป็นปัจจุบันเวทนาภายในเวทนาภายนอกเวทนาที่หยาบเวทนาละเอียดเวทนาเลวเวทนาประณีตเวทนาไกลเวทนาใกล้ทั้งหมดนั่นคือเวทนาไม่ใช่ใครหรอกมันคือเวทนาให้เห็นว่านั่นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเหมือนกันไม่ควรไปมีตัณหามานะที่ถีในเวทนาเลยอริยสาวกเมื่อฟังอย่างนี้จะเบื่อหน่ายในเวทนาต้องการพ้นจากเวทนานี่ยนะ เมื่อเบอร์นายก็หลุดพ้นจากเวทนาแต่ของเราก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถ้าเ้าจะไม่ให้กลับบ้านสักชั่วโมงหนึ่งนี่ก็จะเดือดร้อนอะนะโทรศัพท์ริ้งก้างมาตามอีกเสียเวลาขัดเวลาเรียนหน้าดูเลยที่แปลกที่สุดคือ <c oughs> พอเอารูปมาทำปริญญาแล้วนี่นะฮะ <c oughs> <c oughs> พ่อหารเกิดรูปจึงเกิด น, นะ เราก็ไปยึดตามไอ้อาหารนั่นพวกนั้นเป็นของเราอีกนี่ตลกที่ตุ่ดเลยถ้าอาหารเป็นของเราเนี่ยตลกมากมากเลยคมมากนะก่อนชัดเจนมากมากเลยอาหารของเราอความจริงแล้วอาหารมาจากไหนก็ไม่รู้เราผักมูลโคที่ไหนมาปรุงมาก็ไม่รู้นะใช้ขี้เป็ดขี้ไก่ปรุงขึ้นมากว่าจะมาเป็นผักกาดขึ้นมาอย่างของเราอีกนะยึดไม่ได้ทั้งขี้ไก่ขี้หมูขี้อะไรมาปรุงแต่งหมดของเราหมดเกลี้ยงเยตอนไปซื้อเราก็ไม่ได้ไปซื้อเองนะฮะ ร้านจำลองอุตสาไปซื้อมาแล้วมาปรุงนะแล้วเราไปไปนั่นอ่ะของเรายัางไปบอกของเราอีกอห่วงมา อ, นะมาอ่ถ้าเราไปซื้อเองอะไรเองเ อ, อนี่ของเราเขายังว่าเออของเราเราซื้อมาจากตับปลูกเองอนะีกไอ้น่เขาเขามามาปรุงให้ด้วยอะไรด้วยกว่าจะถึงเรานี่นะยังบอกเออนี่อาหารของเราอีกก็เพราะว่าไม่ไม่ได้ทําปริญญานะนี่คือพื้นฐานปกติอริยสาวกผู้ไม่ได้สดับ จะไม่กำหนดรู้สิ่งที่ควรกาหนดรู้คือไม่ได้ทำปริญญาในสิ่งที่ควรทำปริญญาไม่ละในสิ่งที่ควรละไม่ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งไม่เจริญสิ่งที่ควรทำไม่เจริญนี่คือโทษของการไม่มีพระาศาสดาเนี่ยนะคือโทษที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นพระาศาสดาแต่ถ้าผู้ที่มีอย่างอื่นเป็นาศาสดาก็จะเป็นทิิที่มันตรงกันข้ามแนวนี้เกือบหมดเลยเนี่ยนะก็ถามผู้ที่ อยู่ในวงการศึกษาที่ไปมาทั่วโลกมีไหมคำสอนที่สอนให้มาทำปริญญาในทุกเพื่อที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในขันท่าเนี่ยนะการไปอเมริกาตั้งหลายรอบนี่มีไหม <c oughs> ไม่มีนะแล้ว <c oughs> ก็ช่วยๆกันอ่านพระไตวปิดกไว้นะก่อนที่จะหมดยังไงก็เข้าใจแล้วจะได้บอกลูกบอกหลานต่อไปได้ฟังฟังดูอย่างนี้แนละ้วบางคนที่เขาเขาเห็นตามที่ผู้สอนอย่างนี้ฮะ เขาบรรูุได้มันผมว่าดูเป็นไปได้ไม่กันนะทั้งที่ผู้สอนไม่บรรลุเนี่ยนะฮะแต่ด้ามาทำปริญญาก็ดูอย่างนี้น ะ, ะและผู้ฟังบรรลุนี่มีไหมครับเออมีเหมือนกันสูตรเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าถ้าในยังยังในสูตรต่อไปข้างหน้าเนี่ยทั้งผู้ฟังและผู้แสดงบรรลุทั้งคู่เนี่ยนะแต่ว่าปุตุชนที่แสดงทำแล้วผู้ฟังบรรลุเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ ปุตุชนที่แสดงธรรมอ่ะนะไม่ใช่ว่าปุตุชนแสดงอะไรก็ไม่รู้นะถามว่าธรรมะของใครโยธรรมังเทเสตินะถ้าแสดงธรรมเนี่ยถ้าเป็นตัวธรรมะจรงิงๆอ่ะของพระพุทธเจ้านะธรรมะตัวนั้นคืออริยสัจถ้าพูดตามอริยสัจและผู้อื่นบรร ล, ลุธรรมะอันนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครมัต้องต้องไม่เข้าใจผิดราะนั้นผู้ที่จะแสดงได้คื อ, อพระโพธิละสอนลูกศิษย์บรร ล, ลุเยอะพระมหาสีวาก็สอนบรร ล, ลุเยอะ ที่องค์หนึ่งอะนะที่ไปเดินจงกรมแล้วก็ร้องไห้อะนะองค์นั้นก็สอนลูกศิษย์บรรลุเป็นหมื่นแล้วก็อาจารย์ของพระธรรมทินนานี้ก็ไม่ได้บรรลุแต่ว่าสอนให้ลูกศิษย์บรรลุนะนะมีมีมากมีมากที่ผมจึงศรัทธาในคำนี้เพราะว่าอันที่จริงนะความหมายของปริญญาณมีตั้งหลายคำนะฮะแต่ว่าผมสนใจคำนี้มากเลยแล้วก็เพราะว่าทำให้เข้าใจอะไรอีกเยอะมากเลย ถ้าไม่ไม่รอบรู้อริยสัจนะหนึ่งนะไม่ศึกษาแล้วก็ให้เข้าใจคําสอนอริยสัจแล้วให้รู้ว่าอริยสัจควรทําอะไรบ้างนะก็แล้วถ้ายังอยู่ในวงการศึกษาพระาศาสนาอยู่นี่ก็นับว่าห่างมากนะโดยโด ย, โดยตัวสภาวะแท้จริงนะตัวจิตวิญญาณ น, นี่ห่างคําสอนอย่างมากแต่ว่าผ้าอาจจะอยู่เนี่ยนะที่ที่พระองค์บอกว่า ถึงผู้นั้นจะเดินตามเราเนี่ยนะไม่คลาดแม้แต่ก้าวเดียวด้วยจับชายสังฆาติของเราด้วยผู้นั้นก็ชื่อว่าห่างเราถามว่าทำไมจึงห่างเพราะไม่เห็นธรรมะเนี่ยนะคือไม่เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรเลยอ่ะนะก็ห่างพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในที่อื่นเขาบอกว่าผู้ที่เห็นธาตุย่แบบเห็นด้วยตาเนื้อท่านก็บอกว่าสุนัขบ้านสุนัขยิงจอกมันก็มองเห็นว่า ง, งั้นแต่ถ้าเห็นด้วยจกักรวิญญาณเนี่ยนะ หรือเห็นด้วยตาทิพย์เนี่ยอย่างอื่นเขาก็มองเห็นแต่ไม่ได้เห็นธรรมะที่จะทําให้เป็นพระอริยะธรรมะที่จะทําให้เป็นพระอริยะคืออะไรคือการเห็นขันห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้คือกลุ่มปริญยญาธรรมนะเพื่อที่จะตัดฉันทราคะในขันห้าแต่ถ้าผู้ที่เจริญนะไปคิดว่าใครเป็นผู้ตัดฉันทราคะอีกเอายังอดไปมีผู้อยู่ในนั้นอีกจนได้เพราะฉะนั้นก็ขันนั่นแหละตัดขันห้าเองอนะ โอ้ oh, อาวอนมากเลยนะกลัวจะหมดเราอะนะอย่างนั้นก็อย่างสังเกตโดยจากเวลาถ่ายรูปนะขอเสนอหน้าหน่อยก็ยังอยอ น, นี้นเพราะคุณนายบอกว่าเอาไว้ก่อนนะั <c oughs> น, นที่จริงถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะก็ไกลจริงๆแม้แต่เรียนพระพิธพรรมพ็เถอะให้เรียนยังไงยังไงมากๆนี่นะถ้าไม่เข้ามาสู่หัวใจอันนี้นี่นะ ดูไกลจริงๆครับที่จริงแล้วถ้าโดยเนื้อหาวิชาเนี่ยเนื้อหาวิชาชี้อยู่เรื่องเดียวแต่ว่าด้วยอํานาจอะไรไม่ทราบมันเห็นเป็นเรื่องอื่นจนได้อะแต่ถ้าเรียนอภิธรรมด้วยนะแล้วเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะโอ้โหจริงๆหล่ะวิชาวิธรรมอ่ะคือวิชาสอนเรื่องนี้โดยตรงโดยโดยตรงเลยนะเป็นวิชาที่สอนเรื่องนี้จริงๆแต่ว่ามันเป็นอื่นไปได้ยังไงไม่ทราบ ในอภิชาอภิธรรมนี่นะครับท่านบอกว่าเป็นวิชาที่เรียนแล้วได้กุญแจที่จะประไขตู้พัดไรพิดกนะฮะคือคือหลักการหลักการอันนี้เนี่ยเป็นเป็นนิยามที่เขาให้มาในรุ่นหลังครับผมแต่จริงๆแล้วโดยวิชาไม่ใช่หรอกอันนี้นี่เป็นครัวจารย์รุ่นหลังมาแต่จริงถ้าถ้าจับเนื้อความในอภิธรรมตรงๆมาเลยอะนะ โดยเฉพาะนะผู้ที่เรียนตามชั้นมาเนี่ยตั้งแต่จุลโทมาเออจุลจุลตรีนี่ก็แยกขันห้าลวจริงๆ จ, จุลตรีเนี่ยนะจิตคือวิญญาณขันบริเฉษสองเจตสิกคือนามสันเออเจตสิกคือนามขันสามบริเฉษหกรูป นนก็คือเรียนขันห้าเรียบร้อยพอจุลโทก็มาจําแนกขันห้าตามหลักวิปัสสนาภูมิเป็นต้นเนี่ยนะโดยเฉพาะสัพพาสังหะเป็นขันเป็นอายตนะแล้วมันอกุศลสังหะเวทนากิจสังหะเป็นต้นแล้วพอมาขึ้นจุลเอกนะทงเคราะห์เป็นกุศลอกุศลแล้วบอกด้วยเป็นอเป็นสัจจะเท่าไหร่นะเป็นสัจจะอะไรบ้างนะเช่นกุศลาธรรมาเนี่ยนะเป็นได้สัจจะอะไรอย่างเงี้ยนะก็แยกเป็นสัจจะ เพียงแต่ว่าไม่เน้นมาทํากิจเท่านั้นเองแต่โดยเนื้อหาวิชาไม่มีไม่มีไม่มีความบอกพร่องเลยครับผมคือพูดง่ายๆว่า <c oughs> ถ้าเราไม่ศึกษาพระพิธรรมนี่ครับยากที่จะอ่านพระพิตรดรู้เรื่องนะแต่หลังจากที่ได้ศึกษามาแล้วอย่างพระอาจารย์สอนนะก็ทําให้เข้าใจสับบาลีมากขึ้นเข้าใจความหมายมากขึ้นก็ทําให้ศึกษาพระพิตรดกง่ายขึ้นเพราะมาแค่นี้เองครับ เราเรียนทั้งโลกกัเหมือนกันนะเราเรียนมาแล้วเป็นเพียงหลักวิชาที่จะทำมาหากินต้องมาหาความชํานาญเอาอีกอีกครั้งหนึ่งคืออย่า ง, <อ>ง ท, ท, ที่ที่กล่าวไปเมื่อกี้นะของ ม, ไมไววองัไม่ได้ปฏิเสธตัววิชาเดนะไม่ได้ปฏิเสธวิชาพิธรรมไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะเพราะเนื้อหาเนี่ยก็คื อ, อเพียงแต่ว่าออกมาในรูปแบบคนละอย่างเท่านั้นเองแต่ว่าไม่มีความต่างกันเลยทีนี้สําคัญว่าที่ที่ถามน่ะตมาติ่งเพื่ออะไร เพราะว่าเราตั้งนิสรณัฐปริยัติไว้ในใจไว้เราน้อยเกินไปคือไม่ได้ตั้งไว้ว่าเราศึกษาเพื่อจะได้รู้ว่าตรงนี้ศีลจะได้บําเพ็ญให้บริบูรณ์ตรงนี้เป็นสมถะจะได้บําเพ็ญให้บริบูรณ์ตรงนี้นะเป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นกิจที่จะต้องเข้าไปทําปริญญาเพื่อละฉันทราคะคือไม่ได้ตั้งอัธยาศัยอันนี้ไว้ตั้งแต่แรกเมื่อไม่ตั้งเนี่ยตั้งเป็นอื่นหมดเลย อ, นนอย่างอาจารย์ของธรรมาบอกว่าถ้าท่านเรียนจบเป็นมหารองเท้าของท่านก็จะเป็นมหา <c oughs> กุติท่านก็จะเป็นมหาถ้าท่านเลี้ยงหมามันก็จะเป็นหมาของมหา <c oughs> น, น <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ก็จะได้อันนั้นหมดเราตั้งจิตผิดตั้งกับตั้งกับเรกแล้วเนี่ยนะตั้งตั้ ง, งไว้ผิดตั้งกับเบื้องแรกเพราะไม่ได้ตามกิจให้มันถูกต้องเมื่อไม่ได้ทากิจถูกต้องหลักวิชาที่ตัววิชาดีๆกลายเป็นของที่ ไม่ดีบางท่านใช้คำว่าคำสอนเหล่านั้นเมื่ออยู่กับพระอริยะเป็นของบริสุทธิ์แต่เมื่อไปอยู่กับคนอื่นกลายเป็นเสียหายไปเลยบังนั้นเถอะในอีกสูตรหนึ่งเขาบอกว่าเอามาทำการค้าไปเรียบร้อยแล้วคื อ, <ม>อพูดถึงว่าเรียนพระพิธรรมเนี่ยย่อมทำปริญญาได้ละเอียดได้เปรียบ ก, กว่าคนที่ไม่ไเรียน สมมติว่านี้เอาเวทนามาทําปริญญานี่นะถ้าเราไม่เรียนเรื่องปัจจัยมาเนี่ยเราจะเราจะเสียเปรียบมากเลยคนที่เรียนมาย่อมได้เปรียบนี่ผมหมายความอย่างนี้นะแต่มาเพราะว่าตั้งกิจไม่ถูกว่าอกิตจริงๆของเราคืออะไรนะในอริยศาสีเนี่ยกิจของเราคืออะไรเนี่ยก็ที่รจริงปัญหาที่เบื้องแรกนะที่ควรคิดเลยว่าทําไมเราต้องศึกษาคําสอน คือคืออาจจะด้วยเหตุผลว่าเราเกิดมามีบุญเลยนะบรรพบุรุษของเราพานับถือมาโดยที่เราไม่ค่อยรู้ปัญหาในเรื่องชีวิตแบบคนสมัยพุทธกาลคนสมัยพุทธกาลเขาคิดเรื่องชีวิตมากเมื่อเขาคิดเรื่องชีวิตว่าเราเนี่ยนะชาติชราพญาทีมรณะหรืออีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลก เนี่ยนะที่เป็นพระาหันตรัตสรูชอบได้ด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้จำแนกแจกแจงธรรมรัตนะแล้วเข้าไปฟังธรรมเข้าพอฟังธรรมแล้วจึงรู้ว่าโอชาติพิทุกขาชาราพิทุกขามรณามพิทุก ข, ขังโสกาปริเทวะทุกโทมานัตอุปายาตเป็นทุกขสรว่า ผู้ที่ปฏิสนธิอยู่ในวัฏฏะอย่างนี้เป็นทุกข์แล้วพระองค์สอนที่เรียกว่าไตรศิกขาขึ้นมาเพื่อนี้เป็นข้อปฏิบัติให้ให้ถึงความพ้นทุกข์นี่เขาบางท่านก็จะเห็นว่าเอ้เราอยู่ครองเรือนไม่สามารถจะมาบําเพ็ญกิจอันนี้ได้นะนี้บางท่านบางท่านก็บอกว่าพอทําได้ในในเพศของคารวาเนี่ยนะผล ก, ก, ก็มาเริ่มว่าทํายังไงที่จะได้บําเพ็ญกิจอันนั้นตามตามที่พระพุทธเจ้าสอน เพราะฉะสมัยนั้นเขาเขาไตาสรสารนคมเขาขึ้นมาเป็นอันดับแรกของเราขึ้นตามสมโนโครัวเป็นอันดับแรกปฏิสนธิพ่อสายให้เลยนั <c oughs> ้นก็เลยห่าง <c oughs> เมื่อห่างเข้าผลก็เห็นเป็นอย่างที่ที่เห็นนี้พอเห็นอย่างที่เห็นเข้าการกล่าวพระไตรปิฎกนี้กลายเป็นสิ่งที่อะไรตอนนี้นะี่ทั้งทั้งที่เป็นหัวใจเป็นสาระกลับว่ามีการศึกษาน้อยมากเลยน้อยมาก ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามีศรัทธานะมีสิมีมีสตินะครับมีวิริยะนะครับมี ม, มีมีสติคือคือในในถ้าเราลองย้อนมาแบบอินทรีย์แบบที่ผู้การว่านะั้นหนึ่งถ้าฟังอย่างนี้แลอย่างสมมุตินะอย่างพระพุทธเจ้าสอนก็คืออะไรสอนทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก น, นะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนี้คือทุ ก, ก่อน ฉันทราคาในสิ่งเหล่านี้คือเหตุแห่งทุกเนี่ยนะฉันทราคาในอดีตสร้างทุกในปัจจุบันฉันทราคาในปัจจุบันสร้างทุกข์ในอนาคตแต่สำคัญที่สุดคือฉันทราคาที่ติดข้องในตัวฉันทราคาตอนเนี้ยวางนเถอะหรือถ้ายังไม่รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ฉันทราคาก็ยังมีอยู่ดีที่เรียกว่าอา ร, รัมมนาทิตุปป น, นะเพราะว่ า, อ, าอสมุหะ อสูหะเนี่ยนะคือกิเลสที่ยังถ่ายถอนจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เข้าเราก็มาเอ๊ะทำยังไงอะเรามีศรัทธาไหมที่พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้สิ่งนี้จริงเอาน h i s ก่อนนะข้อ2นี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนะอันนี้เรามีศรัทธาไหมในสิ่งนี้หรือเปล่าคือเรามีศัทธาว่าเออนี้ทุกจริงจริงนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกถ้าปฏิบัติตามนี้ดับทุกได้จริงๆ นี่คือสัตถินรี่อย่างหนึ่งแล้วมีผู้ที่เขาทําตามนี้ได้ด้วยนะอ่า น, นะคือพระสงฆ์ไงไหมก็จะเห็นไตรศาสนาก่อนเห็นที่เรียกว่ารัตานาสามพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อเห็นอย่างนี้เขาอันนั้นเป็นสัตทินรี่ต่อไปที่สองวิริยินรีย์เรามาภาคเพียรตามนั้นหรือเปล่ามาภาคเพียรตามที่พระพุทธเจ้าก็สอนให้ให้ทำกิจเหล่านี้อยู่แล้วเรามีศรัทธาอันนั้นไหมออขออภัยมีความเพียรอันนั้นไหม อันนั้นที่สองวิญญสีสมแล้วเราเราลึกถึงคําสอนเหล่านี้เอาไว้เสมอหรือเปล่าว่าว่ามันเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นสเติซีเ น, นี่ยนะถ้าเจริญถูกต้องต้องสงบอันนั้นเป็นสมาธิสีความสงบอันนั้นเป็นเหตุใกล้ของการรู้แจ้งวันนี้ทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุ ก, ทกอันนั้นเป็นปัญญสีเมื่อมีปัญญสีกลับมานะจะย้อนมาหาอะไร สัตทินซีจะมั่นคงเลยครับนี้สัตทินซีจะเป็นอาจาระศัทธาเนี่ยนะนะผู้ที่แทงตลอดอริยสัจจะเป็นผู้ที่มีอาจาระศัทธาเนี่ยนะนะก็ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงจากศาสนานี้แลนะเนะี่ยนะทิฏฐินี้เป็นสัมมตะนะดิ่งอีกดิ่งหนึ่งแต่ว่าดิ่งอย่างนี้ดีนี่ท่านเามืม่อกี้นี้พระพญมกษัใช่ไหมฮะที่ฟังเสร็จแล้วก็ ถอนสกายทิฏฐิได้ใช่ไหมอ่าเป็ น, ปนพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันเนี่ยแสดงว่าอินทรีย์อื่นๆเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วขาดอยู่นิดเดียวทเท่านั้นเองปัินรียท่านไดีซีขาดเป็นนิดเดียวเท่านั้นเองะแล้วแล้วกลุ่มนี้เป็นเป็นพวกอุเฉทิฏฐิละกิเลสง่ายในบรรดารับที่นะอุเฉททิฏฐิจะปฏิบัติบรรลุเร็วกว่าสัสนต์ทิฏฐินี่นะพื้นฐานนะ ใครที่เห็นว่าขาดศูนย์อยู่แล้วนะปฏิบัติเพื่อตัดฉันธราคาในขันห้าไม่ยากแต่ผู้ที่แมโ ห, โหโครงการไม่รู้กี่สิบชาติตอกี่สิบชาตินะพวกนี้ยากนะนะเหมือนกับว่าคนที่วางแผนท่องเที่ยวไปเยอะๆนะไม่รู้กี่สิบจังหวัดต่อไปเรื่อยๆนะจะไปบอกว่าบอกว่าอย่าไปเลยเนี่ยโหเรื่องนี้ยากเพราะฉะนั้นใครฟัง พระธรรมแล้วหรือว่าได้อ่านพระธรรมแล้วนะก็ข้อความอันเดียวกันนี่แะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยนะะก็ข้อความอันเดียวกันน่ะแล้วแต่ว่าผู้อื่นฟังแล้วเนี่ยบรรลุแต่เราสงสัยทําไมเราฟังแล้วไม่บร <c oughs> รลุก็รเราคำว่าคําว่ารูปของเราเนี่ยนะพแย่มากเลยเอั้ อ, อนมาง่ายๆก่อนนะไอ้คําว่ารูปของเราเนี่ยกับรูปของท่านคืออะไรเอารูปของเราของเรานะก็เนี่ยเห็นเเนี่ยแค่เนี่ยรูปแต่ของท่านนะท่านบอกมหาพูดและ รูปที่อาศัยมหาพูดมีปฏิสนธิแล้วเจริญเติบโตมาอย่างนี้จนถึงที่สุดเนี่ยตายอย่างนี้เนี่ยนะเสร็จ แ, แล้วไอเหตุเกิดของรูปเป็นอย่างนี้ถ้าดับรูปดับได้อย่างนี้เนี่ยนะท่านท่า น, านคือท่านคิดเรื่องชีวิตตลอดสายเลยคิดมากตั้งแต่เกิดตายเกิดตายเนี่ยนะจากเกิดไปหาตายจะเกิดไปหาตายเนี่ยเป็นอัธยาศัยของท่านเนี่ยนะแต่ทีนี้ของเรามาในฐานะมาอะไรผู้มีสุตตะงั้นเถอะมาสะสมสุตะ เ, เดี๋ยวต่อยมกะสูตรอีกนิดหนึ่งพอท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันนะภาษารีบุตรก็จะแสดงคำเพื่อบรรลุมัตชั้นสูงต่อไปว่า <c oughs> ดูก่อนท่านยมกะถ้าชนทั้งหลายพึงถามท่านอย่างนี้ว่าท่านยมกะภิกษุที่เป็นพระอรหันตะขีนาศพเมื่อตายไปแล้วย่อมเป็นอะไรท่านถูกถามอย่างนี้จะพึงกล่าวแก้ว่ายังไงะนะสรุปนะถ้าเป็นพระโสดาบันและจะตอบว่ายังไงอ่า ท่านพญมากาตอบว่าข้าแต่ท่านสารีบทถ้าเขาถามอย่างนั้นผมพึงกล่าวแก้อย่างนี้ว่ารูปแลไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นดับไปแล้วถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นดับไปแล้วถึงการตั้งอยู่ไม่ได้ผู้ที่เป็นผ้าฐันจริงๆนามบัญอยากก็คือขันท่าแต่ขันท่าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกขแล้วก็ดับไปเนี่ยนะ ก็ถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะปัจจัยเนี่ยสิ้นแล้วเนี่ยนะปัจจัยสิ้นแล้วข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผมเนี่ยถูกถามอย่างนั้นเพิ่งกล่าวแก้อย่างนี้เนี่ยนะก็กล่าวแก้อย่างนี้ท่ารหันก็ขันห้าเพราะตามเป็นจริงแล้วในในความคิดของท่านคือขันห้าแต่ว่าอันนี้มองในแง่ทิฏฐิชั้นสูงนะไม่แต่เดี๋ยวเอาเจริยธรรมเข้ามาก็จะคนละเรื่องกันอีก ภาษารีบทก็บอกสาธุสาธุยมกะถ้าอย่างนั้นเราจะอุปมาให้ท่านฟังเพื่ออย่างรู้ข้อความนั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้น น, นันนี้ก็เป็นคำสอนเพื่อมักท่านสูงว่าดูก่อนนั่นยมกะเปรียบเหมือนครือา บ, บดีหรือบุตรของครือา บ, บดีผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเขาก็รักตัวรักษาตัวเนี่ยกวดขัน เกิดมีบุรุษคนหนึ่งประสงค์ความพินาศประสงค์ความไม่เป็นประโยชน์ประสงค์ความไม่ปลอดภัยอยากจะปรงชีวิตเขาเสียเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าอันนี้เพชฌฆาตนะเขาคิดว่าครหบดีและบุตรครหบดีนี้เป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเขามีการรักษาอย่างกวดขันการที่จะอุกอาจปรงชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นการทําได้ง่ายเลยอย่างนั้นเราพึงใช้อุบายปรงชีวิตนะเพชฌฆาตวางแผนฆ่า ลูกเศรษฐีเหมือนั้นเถอะวางแผนฆ่ามหาเศรษฐีเหมือนกันบุรุษนั้นก็เข้าไปหาเครือบดีหรือบุตรครือบดีนั้นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าผมขอเป็นคนรับใช้ท่านานะไปสมัครงานอ่นะเครหาบดีหรือบุตรเครือบดีนั้นก็พึงรับบุรุษนั้นไว้ใช้เขาพึงรับใช้เรียบร้อยดีทุกประการคือมีปกติตื่นก่อนนอนที่หลังคอยฟังคําสั่งประพฤติให้เป็นที่พอใจกล่าวแต่ว่าจะเป็นที่รัก อันนั้นคือพูดแหมเอาใจเจ้านายเก่งมากนะนายชอบไปคนนี้มากครหบดีหรือบุตรครหบดีนั้นเชื่อเข้าโดยความเป็นมิตรโดยความเป็นสหายและถึงความไว้วางใจเขาเมื่อใดบุรุษนั้นพึงคิดว่าครหบดีหรือบุตรครหบดีไว้ใจเราดีแล้วเมื่อนั้นบุรุษนั้นรู้ว่าบุตรเครหบดีหรือบุตรครหบดีอยู่ในที่รับพึงปลงชีวิตเสียด้วยสาสตราอันคมนี่นะไปเชื่อเตื้อเรียบร้อยเลยนะ เพราะว่าวางแผนมาตั้งนานแล้วใช่ไหมกว่าจะเอาอกเอาใจกว่าจะอยู่ได้เป็นคนใกล้ชิดกว่าจะอยู่ที่เงียบๆด้วยกันได้สองคนขนาดนี้เนี่ยวางแผนมานานก็เลยเชื่อเรียบร้อยดูก่อนท่านย ม, มะกะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนะในการใดบุุษนั้นเข้าไปหาเครือหาบดีหรือบุตรเครืหาบดีโน้นกล่าวอย่างนี้ว่าผมขอรับใช้ท่านแม้ในการนั้นเขาก็เชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าอยู่แล้ว ก็แต่ครหาบดีหรือบุตรครหาบดีนั้นหารู้จักบุุษผู้ค่านั้นว่าเป็นผู้ค่าเราไหมจริงๆเขาก็คือเพชคฆาตนะแ ต, แต่มาในนามของมิดใช่ไหมมาในคราบของมิดจริงๆก็คือคนค่าอยู่ดีนะนื่ ในการใดบุรุษนั้นตื่นก่อนนอนที่หลังคอยฟังคําสั่งประพฤติให้เป็นที่พอใจกล่าวแต่ว่าจาเป็นที่รักใคร่แม้ในการนั้นเขาก็ชื่อว่าผู้ฆ่าอยู่แล้วก็แต่เครือขาบดีหรือบุตรเครืหาบดีนั้นหารู้จักบุรุษผู้ฆ่านั้นว่าเป็นผู้ฆ่าเราไม่ และในการใดบุรุษนั้นรู้ว่าครึหาบดีหรือบุตรครึคหาบดีอยู่ในที่รับจึงปลงชีวิตเสียด้วยสาสตราอันคมแม้ในการนั้นเขาก็เป็นผู้ฆ่านั่นเองก็แต่ครึหาบดีหรือบุตรครึคหาบดีนั้นหารู้จักบุรุษนั้นว่าเป็นผู้ฆ่าเราไม่ท่านพญมะกะก็ยอมรับว่าใช่เนี่ยนะก็เพชฌฆาตั้งแต่มาสมัครงานแลว้วงั้นเถอะดูก่อนท่านยมะกะ ข้ออุปมานี้ฉันใดปุตุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ได้รับแนะนําในอริยธรรมไม่ได้เห็นสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในสัพปริสธรรมไม่ได้รับแนะนําในสัพปริสธรรมก็ฉันนั้นย่อมเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเนี่ยนะก็ลัทธิสกายะทิถียี่สิก็เข้ามาอีกเนี่ยนะนก็สรุปว่าจนเห็นว่าเห็นอัตตาในวิญ ญ, ญาณนะสกายะทิถียี่สิเกิดขึ้น เขาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงคือไม่รู้เลยนะไม่ได้ทําปริญญาในขันท่าที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงเลยมั้งยอมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ยอมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตา ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันปัดใจปรุงแต่งว่าอันปัดัยปรุงแตง่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นผู้ฆ่าว่าเป็นผู้ฆ่า น, นะไม่รู้จักว่าขันห้าคือเพชฌฆาตเหมอนนอยู่กับเพชฌฆาตทุกวันเลยนะเดี๋ยวไปอาบนะ้าแต่งตัวได้เวลาจะเติมมาห า, มาอีกแล้วเขาย่อม พอพอไม่รู้ความจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันปจัจจัยปรุงแต่งและผู้ฆ่าอย่างนี้เขาก็ย่อมยึดมั่นถือมั่นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะสำคัญว่าเป็นอัตตาอุปาทานขันห้าเหล่านั้นอันปุตุชนนั้นเข้าไปถือมั่นยึดมั่นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลานานอ่ะ น, นะเพราะอะไรเพราะอุปาทานเกิดอะไรเกิดพบก็เกิดใช่ไหมพอพบเกิดอะไรเกิด ชาติก็เกิดเพราะชาติเกิดชรามรณาโศกะปริเทวทุกขโทมนัฑและอุปาญาตคําว่าชาติเนี่ยนะบอกว่านรกกี่ร้อยขุมเนี่ยคือของเราทั้งนั้นอ่างั้นนะเปรตกี่ร้อยประเภทนี่ก็ใช่เลยเดรชานทุกจําพวกนะนะผู้หญิงทุกคนที่มีคันได้นะสามารถไปนอนอยู่ในครันนั้นกินน้ําครรมเขาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละชาติที่ทุกทั้งหมดแหละไม่ต้องห่วงถ้ายังยังตัดเยื่อใยในขันถ้าอันนี้ไม่ได้ ดูก่อนท่านพยมกษัตริยส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นท่าอริยะฉลาดในอริยธรรมได้รับแนะนําดีแล้วในอริยธรรมได้เห็นสัตว์บรุษทั้งหลายฉลาดในสัพบริสธรรมได้รับแนะนําในสัพบริสธรรมดีแล้วไม่เห็นรูปโดยความเป็นอัตตาก็เห็นรูปเป็นรูปเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นสัญญาเป็นสัญญาเห็นสังขารเป็นสังขารเห็นวิญญาณว่าเป็นวิญญาณนั่นแหละเห็นขันห้าเป็นขันห้าสาธุเมื่อไหร่เนาะเราจะเห็นขันห้าเป็นขันห้านะนันะ ผู้การเกือบแล้วนะเพ <laughs> <laughs> ผมต้องบรรลุไ ด, ไ, ลได้เน่ยเ <laughs> ปหลายปีต้องได้เน่เพราะฉะนั้นเขาร่มอมเขาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงคือเมื่อเขาเห็นขันห้าเป็นขันห้านะเขาก็รู้ความจริงว่าขันห้ามันไม่เที่ยงอะ่ะย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นทุกข์กว่าเป็นทุกข์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 เขาย่อมไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาอุปาทานขันหเหล่านั้นอันอริยาสาวกไม่เข้าไปยึดมั่นยึดมั่นว่าไงยึดมั่นว่าเที่ยงสุขและอัตตาเป็นต้นใช่ไหมย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแล้ว น, นะประโยชน์เป็นชื่อของนิพพานเกื้อกูลเป็นชื่อของมรรคสุขเป็นชื่อของผลนะจำไม่เลย คำว่าประโยชน์ตรงนั้นเป็นชื่อของนิพพานที่เป็นประมัติประโยชน์สิ่งที่จะเกื้อกูลเสมอด้วยอริยมรรคไม่มีอริยมรรคเรียกว่าสิ่งที่เกื้อกูลส่วนความสุขเสมอด้วยพละสมาบัติไม่มีเพราะฉะนั้นการที่อริยะสาวกไม่เข้าไปยึดมั่นเนี่ยน ะ, ะยึดมั่นโดยความเที่ยงสุขและอัตตาก็สามารถเป็นไปเพื่อแทงตลอดมรรคผลและนนิพพานได้ ท่านพญมกกะกล่าวว่าข้าแต่ท่านภาษารีบุตรข้อที่เพื่อนพรหมจันท ร, ร์ทั้งหลายของท่านผู้มีอายุทั้งหลายผู้เช่นนั้นเป็นผู้อนุเคราะห์ใคร่ประโยชน์เป็นผู้ว่ากล่าวพร่ำสอนย่อมเป็นอย่างนั้นแท้เนี่ยนะก็คือคือยอมรับพภาษารีบุตรนะว่าเป็นผู้อนุเคราะห์ต่อเพื่อนพรหมจันท ร, ร์จริงๆก็แลจิตของผมหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเพราะได้ฟังธรรมเทศานานี้ของท่านภาษารีบุตรเนี่ยนะพญมกกะเป็นพระารหัสเรียบร้อยแล้ว นะนะของเราก็ได้บุญนั่นนะก็สะสมเหตุมาเท่านี้นะญญถ้าหากว่าไม่ไม่บัญญัติไม่บัญญัติรูปเวทนาสัญญาถัางขาน ญ, ญาขึ้นเนี่นโยโดยโดยโดยทั่วไปเนีญญ่ยจะจะรู้จักรู้จักที่จะมาพิจารณาพระปเจกับพพุทธเจ้าครับ ผู้นั้นเนี่ยต้องมีอุปนิสัยปัจเจกโพธิญาณอยู่ในตัวจึงทำได้หรือก็สัมมาสัมโพธิญาณจึงจะทำกิจอันนั้นได้ผู้ที่เหลือจะมาบัญญัติไม่ได้ไม่มีใครสามารถบัญญัติอั ต, ตาวาทุปาทานได้นอกจากพระพุทธเจ้าเนี่ ย, ยะพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ท่านท่านท่านบรรลุอะนะท่านแยกเป็นขันธ์ห้าได้แต่ท่านบัญญัติไม่ได้ มาเรียกชื่อว่าอันนี้เป็นรูปนะ น, นี้เป็นเวทนามามันอยากชื่อไม่ได้เพราะมันเหมือนเหมือนอะไรเหมือนนำมาเข้าไปในป่านะจะไปเรียกว่าอันนี้มันต้นนั้นต้น น, น, นี้ต้นนี้เป็นยะไม่รู้เรื่องเลยถามว่าเห็นต้นไม้ไหมเห็นแต่มันเล่าให้ใครฟังไม่ได้เนี่ยนะเนี่ยนะก็ก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าท่านเข้าใจอัถฐคือแทงตลอดอริยสัจแต่ไม่สามารถบัญญัติได้ ไม่สามารถบัญญัติมาเป็นคําสอนแบบนี้ได้ผู้ที่จะบัญญัติมาเป็นคําสอนอย่างนี้ได้ก็บําเพ็ญบา ร, รมีตลอด4อสองไขยแสนกับอ้าวแล้วของท่านทําไมสอนได้อ้าวไม่ได้ยังไงนี่ก็พระไตรปิฎกเขพิมพ์ตัวบเบื้ริมเลยเนี่ยทำไมจะอ่านไม่ได้อ่านหนังสือไทยเป็นก็ก็กล่าวตามได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็คุณบมีถามว่าไงเนียพี่พูดถึงพรหันหลวงพ้เป็นได้มีพานดูกะโหลกดูกะโหลกคนตายแล้วก็รู้ว่าไปเกิดที่ไหนเนี่ย อารนลอยู่ในหนังสือเล่มไหนครับอ่าโลพระวังกีสระทำไมวีสะอ่าวังกีสะผมอ่านแล้วผมอยู่อยู่เทระคาถาเล่มสุดท้ายเลยเรื่องสุดท้ายาเรื่องสุดท้ายก็หไม่รู้่ิเป็นายดูไม่รู้เรื่องมึนหมดแล้วก็ความความเข้าใจนะพยายามไปไปทบทวนนะแล้วก็ขันทวารวักนี่จะทำให้เข้าใจอะไรหลายๆเรื่องชัดขึ้น